กุฑาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรรเสริญสนทนา 106 ดิฉันสรรเสริญนาคพงดําเนินรายการ 8 อยู่ นั่นคือเรื่องของสติปัฏฐาน 4 เราไปกราบนมัสการท่านพระค่ะกราบนมัสการกันทั้งค่ะ นะเราอธิบายกันหลายๆตอนก็ไม่จบแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือ นะยังยังเราจะตั้งสติอย่างเงี้ยอ๋อฉันจะตั้งสติละวันนี้ฉันจะต้อง the humor เวณีนะเพื่อนถ้าเกิดเค้าหนีออกไปปุ๊บนี่เค้าเสียเสียฐานล่ะเสียฐานนะเสียหน้า 5 นะความ นะคนที่เป็นธาตุน่ะต้องถูกจิกหัวใช้จะไปเที่ยวไปพักอะไรก็ไม่ 6 ชนิดนะ เอาจระเข้เอาสุนัขจิ้งจอกเอาสุนัขบ้านเอาลิงแล้วก็เอา 6 อย่างนี้มาผูกด้วยเชือกนะผูกด้วยเชือกเหนียวเสร็จแล้วค่ะมัน นกก็จะบินขึ้นฟ้าจะเดเก้ก็จะลงน้ำลิงก็จะเข้าป่าสุนัข 6 อย่างเนี่ยอัน<ใช> เรากําลังอ่านหนังสืออยู่เนี่ยมันจี๊ดขึ้นมาเลยผมก็ด่าเราแรงมากนะไอ้ตาที่เราอ่านหนังสืออยู่ลืมไปละมัน 2 ทาง เอ่อเราจะแก้ยังไงไหนจะแก้ยังไงก็คือเอ่อเรา 6 ชนิดเนี่ยปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะแทน ที่ก็เอาก้อยมา 6 ชนิดเนี่ยมันถูกผูกอยู่ณที่เสาเขื่อนเสาหลักเนี่ย เอางั้นเราบอกว่าเอาจิตของเรามาผูก <Okay. S 1> เชือกยังไม่ขาดนะฟังครั้งนึงนะไอ้การที่เชือกตึงเนี่ย มันจะค่อยอ่อนแรงลงไปนิดนึงนะใจของเรา นั้นโอเคเข้าใจมั้ยเชือกมันตึงแค่นั้นเองนะค่ะแล้วเมื่อไหร่ แค่นี้เองค่ะอ่าแค่ค่ะต้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ตกใจหลายคนแล้วก็อืม แล้วก็อาตมาเองก็เป็นนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าที่ๆก็คือสมมุติ 2 คนจะกันเนี่ย 2, 2> คนตาหูสมองมัน ทางนี้ก็จะดึงให้มันอยู่กับลมหายใจน้องจะเครียดมากเลยมันจะปวดคิ้วนะทํายังไงปล่อย จะทําไงให้จิตเนี่ยปล่อยจากความคิดซะแล้วให้จิตเนี่ยไม่อยู่อารมณ์ใจเนี่ยคือปล่อยขา กลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นี้เองค่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะใช่แต่ว่าถ้าท่านลองใช่ใช่เรื่องนั้นถ้า ถ้าเราเป็นแบบยังไม่มีความรู้เนี่ยก็จะเสียขวัญมันมีความ นึกขึ้นแต่เราเคยเห็นใบบัวเอ่อน้ําอยู่เป็นใบบัวเนี่ยปุ๊งๆๆแต่มันไม่ติดนี้ดีกว่ากันมันไม่คล้องกันมันไม่เหยื่อใหญ่เหยื่อใหญ่กันนะมันก็เอ่อพลิก นาคีก็คิดไปทําอะไรก็ทําไปเอ่อมีผัสสะสัมพันธ์อะไรก็รู้ได้ทําได้ จะรู้ลมหายใจอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องๆกันอยู่นะเราเรามาทําความเราเอาความแล้วเวลาที่ฉันรู้ลมหายใจมั้ยเนี่ยฉันรู้ นะเอ่ออย่างพระเจ้าเวลาที่ตรานเรื่องอะไรมีสติมั้ยมีนั้นเราก็กําหนดบทเป็นชนะล่ะทํายังๆจริงๆเรื่องนี้ไม่ <c oughs> มันก็จะค่อยๆแยกออกกันออกไประหว่างเอ่อไอ้เจ้าสิ่งที่จะมากวน 10 วินาทีพอนะเอากลั้นเอา 10 วินาทีเนี่ย ไอ้ความคิดจิตลมหายใจ 3 อย่างเนี้ยเป็นคนละอันกันแต่บางทีเรามีความว่าเอ๊ะความคิดกับจิตมันอันเดียวกันล่ะมั้งไม่ ก็คือว่าเอ่อย้อนกลับไปที่ท่านได้พูดในตอนก่อนหน้า นะคะท่านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันคือเอ่อดิฉันก็ชอบสงสัยระหว่างทางอยู่เรื่อยก็ <c oughs> เกิดขึ้นได้มั้ยคะแล้วเกิดเมื่อไหร่ๆไปก็ค่ะนะคะเราพรุ่งนี้อ่าจะเป็นวัน อ่ามีเวลาแล้วก็ค่อยๆสังเกตในการที่จะปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องสังเกตอย่างไรเป็นพิเศษมั้ยคะท่านคะถึงค่ะก็ทํา แล้วก็ยังได้ความรู้ความเข้าใจเพื่อ 4 สามารถพา 8 วันนี้ การฟังที่ครบคันนี้ก็คือรายการ 27 ตุลาคม 2556 นี้ตอนช่วงเช้าเลยนะคะช่วงเช้าเลย FM 106 อ่า 02 269 0006 ได้ 국민colberthu, heaven entender it